ธรรมะถูฟังเาะี อ, ะอะาเนียนที่บวชใหม่ก็มีเก่าก็มีแต่ทีอย่างไรก็ดีผู้บวชมาจะใหม่ก็เป็นพระเป็นเนนเหมือนกันาการบวชคือาการฝึกอบรมตัวของตัวให้ละชั่วมันเป็นดี การบวชการบวชมาศึกษาต้องศึกษาทุกด้านตาเห็นหูได้ยินจิตเลือดศึกษาไปในตัวพอเราบวชมาจะต้องดูแลคิดตรงทุกอย่างนลงบวชต้องพู่ตัวเองเป็นพระกรรมกร เดีพะตาชาคณะอะไรกรรมฐานเป็นตากรรมกรทำได้ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างกินได้นอนได้อย่างสะดวกสบายขวัวัดปฏิบัติภายในวัดเราสิไม่เคยรักษามาก่อนก็จะไม่ทราบในหัยใจ บางทีการไปยินทบาตประตูหน้าต่างก็ไม่ปิดถ้าฝนตกมา <c oughs> ก็สาดเข้าไปถูกเสือถูกหมอนถูกของสงให้เสียหายไป <c oughs> าอาบนุ่งผาอะไร <c oughs> ก็ต้องเก็บตอนกลางคืนมาบางทีนอนหลับฝนตกอ <c oughs> าจเสียหายไปทุกสิ่งทุกอย่างสรอบครอบรักษา เพราะเราไม่มีคนใช้พอที่จะดูแลรักษาเรานี้ไปที่อื่นประตูหน้าต่างปิดสิ่งของถูกคนเก็บงานอย่างไรก็เก็บเงาไว้ให้หน่าดูไม่อย่างนั้นเกิดความเสียหายขึ้นก็ลําบากทั้งตัวและผู้อื่นนอกจากนั้นสิ่งของมีขังคนรักษาเก็บไว้ให้เป็นขี่เป็นฐาน พรบางทีโจรมามาเจอเขา้าเขาจะขมโมยเอาไปแต่ก็ไม่เคยเป็นในวัดนี้แต่บางทีมันเป็นขึ้นอาจจะเป็นอาจจะเห็นจะรู้แต่ตอนอาจารย์มาอยู่ยังไม่เคยมีแต่ก่อนมันเคยมีเหมือนกันเวลาไปวิณฑบาตเอามาขโมยเอาอย่างของของรักหนีไปมีเรื่องของการรักษาบริฐาน การรักษากายใจของตนก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราทุกคนบวชมามุงหน้าจะหัดดัดตัวของตัวการรักษากายการรักษาไาจาเป็นทางที่ตัวของตัวจะรักษาเองกายจะรักษาอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเป็นไปเพื่อความสวยงามเรากด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 ลอยใจให้คิดนึกติดตามอารมณ์ต่างๆถึ่งเป็นสายชั่วสายเสียสายโลกอย่างน้อยก็ทําใจให้เศร้าหมองหรือเสียเวลาไปหนักเข่ากว่าทำใจให้ปลูกปุงไปใหญ่จนอยู่ในเพตสมณะไม่ได้อาจติดหาราพลดออกไปพอใจปลูกปุ ง, งคิดนึกกว่าเหลืองของโลกเป็นของดิีของดีกว่าเรื่องการ อยู่ในวัดในวาการเป็นพระเป็นเนรศีนสมาธิปัญญาเป็นของลาสมัยสูกโลกสมัยใหม่ไม่ได้คิดไปปุ่งไปในทางเสียทางหายนี่คือการไม่รักษาจิตรักษาใจของตนพระพุทธเจ้าบัญญัติศีฐาไว้เพื่อให้นักบวชได้ศึกษาศีลสมาธิปัญญา ศีลศิาษาจิตธิศิษาปัญญาศิษยานี่เป็นทางศึกษาของนักบวชศีลของเนรก็ไม่ใช่ว่ามีแค่สิบตัวที่รับจากอาจารย์จากอุปชายะเท่านั้นศีล ส, สามเณรก็มีมากเหมือนกันเจ้กิวัตเจ้กิยาวัตทั้งเจ็ดสิบห้าก็เป็นศีลของสามเณรพะก็ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงสองร้อยี่สิบเจ็ดเท่านั้น พระวินัยทุกข้อตั้งสองหมื่นเต้องสองหมื่นสองพันเป็นของพระที่สุสามเณรที่จะต้องรักษาที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้คอยใจมีเป็นเรื่องของศีลเราไม่ละมลั่ระวังไม่รักษาศีลไม่มีศีลไปจำตัวความชั่วทวามเสียหรือโลกวัฏสงฆามติดศีลนินทาคลายนอกว็จะทับผมเข้า นั้นพวกเราเป็นนักบวชยิ่งกันถือว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานเขายิงจ้องมองเป็นพิเศษเพราะเขาถือว่าถ้านักปฏิบัตินักกรรมฐานเป็นผู้ปฏิบัติดีเรียบร้อยสวยงามหน้า่าวใบหน้าเคารพหน้าเรื่อมใสเมื่อมาเห็นเขา้าจิริยามะยาะรยากทางศีลมีด่างพร้อยหรือเสียหายไป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 ไม่สามารถที่จะรักษากายวายจาน้ําใจของตัวได้โดยอุบายของตัวเองก็ให้แล้วลึกนมืคิดถึงภาษ า, ษาสนาถึงภาษาสดาถูกเป็นครูสอนของเราว่าเราทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเสียไปก็จะเสียส่วนใหญ่คือเสียภาษาชนาเสียภาาสดาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ นอกนั้นก็คิดนึกถึงครูอาจารย์นักบวชด้วยกันหากเราส่วมเสียในการทำชั่วคิดชั่วต่งางๆเพราะชั่ว่วนสูงสึงนีชีวิตอยู่ในศาสนาเขาไปจะตดสิมนินทาไปคิดหลายข้อหลาย ม, มุมมาเตือนใจของตัวให้งดให้ละอายจากชั่ว รักษาศีลของตัวให้ดีเมื่อศีลมีอยู่ในตัวไม่ได้ทําชั่วฝูดชั่วอย่างไรถึงแม้เรื่องของใจยังไม่เป็นสมาธิความเยือเกเย็นของใจหรืออา น, นิสงส์ของศีลก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วกว่าคนนั้นเมื่อจุตติหรือตายไปจากอัตภาพนี้ก็จะมีสุคติเป็นที่ไปอย่าง <c oughs> อันนี้สงฆของศีลที่ถังเก่าวไว้สิเลนะสุขสนติคือที่มีศีลบริสุทธิ์ผุดพองมีศีลไปจำตัวแล้วถึงแม้จะไม่มีสมาธิคนนั้นตายไปก็จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์หรอันนี้สงฆของศีลยังเป็นพื้นเป็นทางที่จะให้สำเร็จพระนิพพานได้อีก ี่เรื่องของศีลนักบวชทุกคนควรสนใจควรรักษาศีลรักษากายวาจานี่เป็นศีลส่วนหนึ่งศีลหรือวัดอันอื่นอีกก็มีเสนาสนาวัดเวียจะตุลีวัดหมายถึ ง, งห้อน้ำหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยนั่นก็ต้องจะต้องมีวัดมีศีลเป็นส่วนรักษา <c oughs> ไในใจว่า อยู่ไปนอนไปธรรมดาเราต้องรักษาดูแลทุกสิ่งทุกประการไปส่วนใดที่จะเป็นทางเสียหายส่วนใดที่จะเป็นไปเพื่อความไม่ดีเราต้องรักษาดูแลปฏิบัตินี่เป็นวัดประจำนักบวชเ <c oughs> มื่วัดภายนอกดีแล้วศีลภายนอกดีแล้วศีลภายในคือใจก็าปกติคอยดีขึ้น สะอาดขึ้นการฝึกอย่างศีลภายในการฝึกจิตนึกใจเพื่อเป็นสมาธิความมั่นคงของใจงเพราะเพราะการรักษาศีลภายนอกดีเด่นทุกสิ่งทุกขั้การไปใจก็ไม่เดือดร้อนแสกเขาตัวเองเพราะคิดเห็นความขอวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำไปเกิดความดีจิต ด, ดีใจ ว่าเราไม่ไปทำชั่วทำเสียะอะไรจิตก็มีความยืดหยม่แจ่มใส เ, เบิกบานเราจะบริกรรมทำภาวนาก็อสงบง่ายสะดวกสบายมีการรักษาศีลรักษาใจไม่ใช่นาทีของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่มุ่ง ม, มัน่นมาปฏษษษษิบัติจะต้องรักษาตัวของตัวพอโอกาสเวลา บางท่านบางคนก็มีนิดหน่อยเล็กน้อยช่วระยะไม่กี่วันมาบวชแล้วก็จะเลยจุดหาราพตไปบางท่านบางคนก็ยังไม่แน่นอนใจว่าจะบวชไปอีกกี่วันกี่เดือนเพราะจิตใจยังไม่มีปื้นเทของอัดของคำอะไรแล้วก็ไม่รีบรักษาไม่รีบปฏิบัติจิตใจซึ่งเคยปรุงปุงอย่างไรก็ปล่อยไปอย่างนั้น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 ผู้นั้นจะมีความสุขความสบายมากยิ่งกว่าได้กปราศดิหารหรือโบทหลังใหญ่ๆพอจิตใจทจิสร้างเป็นท่าได้เป็นจิตใจจิตไรเสื่อมและไม่เสื่อมสลายไปเหมือนวัตถุที่ก่อสร้างจากด้านวัตถุต่างๆดังนั้นพวกเราท่านผู้มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติถึงร้างจิตต่างใจของตน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 ที่อยู่ที่อาศัยของใจการสร้างที่อยู่ที่อาศัยของใจก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากอัตธรรมธรรสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าเราจะสร้างหายใจของเราเป็นพระหรือเป็นผู้กระเสิฐกว่ามนุษย์ธรรมดาสร้างได้ถ้าสร้างไม่ได้ครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุท ธ, ธเจ้าท่านก็ไม่มีคําสอนมาสอนโลกท่านสร้างสร้างอย่างไร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 สังกัายไม่ไดเกี่ยวข้องวุ่นวายในการงานด้านอื่นผู้คนไม่ปุ๊กท่านในสถานที่นั้นเสียงไม่โลกวนแล้วกำหนดจิตของตนในบททำอันใดอันหนึ่งซึ่งนิสัยของตนชอบจะกำหนดลมหายใจเนือบทพุทโทธรรมโมทั้งโคได้ทางนั้นเยสาโลมาได้ทางนั้นไปคิด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 ไม่หยุดไม่ถอยแต่อารมณ์สัญญาส่วนนั้นได้อะไรมาเป็นส่วนตอบแทนนอกจากความทุกข์ความลําบากความเดือดร้อนจิตใจเท่านั้นเราคิดว่าเราเคยคิดเคยปรุงปร่งไปต่างๆนั้นเราเคยคิดมาแล้วความทุกขทุกอย่างไรเคยรู้จักในจิตในใจของเรามา แต่การสัมผัสทางศาสนาตามสัมผัสในธรรมะของพระพุทธเจ้าความสงบสงัดของจิตที่พระพุทธเจ้าหรือปราดทัทด่วไปถือว่าเป็นของดีวิเศษนั้นเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นขึ้นในจิตในใจของเราฉะนั้นเวลาเราภาวานาเราตั้งหน้ากำหนดอะไรให้ตั้งใจกำหนดอันนั้นเชื่อมั่นว่าจิตจะสงบได้และทําไป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 ความสงบล้า ง, งายข้องใจถึงเราไม่เคยเห็นเป็นมาแต่ก่อนจะเกิดอัตจันไว้าพอใจสงบเท่านั้นตายทั้งตัวไม่รู้ว่าเจ็บปวดเน็ดเหนื่อยหนักเบาอย่างไรปล่อยไปหมดจิตไหย ม, มาเกี่ยวข้องสัมผัสกับธาตุขันตนุนี้ลงปส่หง เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเบาสบายสุขยิ่งยวดติดจิตจิตใจเวลาจิตถอดถอนมา ก, ก็อยากจะให้เห็นอยากให้เป็นอย่างนั้นความเชี่นก็มากเข้าศรัทธาความเชื่อเมือเ่อเห็นในตัวของตัวก็มั่นเข้าอะไรเลยไหลไปตามกันเพราะความเห็นความเป็นของจิต สงบสงัดเท่านั้นความเชื่อความเลื่อมใสความเต็มใจอยากเพฤ่ปฏิบัติเกิดขึ้นอิทธิบาททั้ง4ี่สันทะรักให้ในการทำความขากความเทียนในการกำหนดบริกรรมของตนวิริยะขาเทียนพยายามอยู่สม่ำสเสมออยากจะให้จิตรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นจิตตะเอาใจใส่ไม่ปล่อยชุละ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 ที่พึ่งที่อาศัยของใจถ้าหากเป็นของเลี้ยวไหลของไม่จริงแล้วเรื่องของศาสนาจะต้องมมีใครตั้งหน้าขอเพื่อปฏิบัติเพราะทำไปไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรม <c oughs> ีผู้ทาผู้ปฏิบัตริรู้เห็นเป็นจริงอยู่ความเป็นความเป็นของท่าน มันไม่ใช่ด้านรับผูกก็จะยกออกมาอวดกันไวจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นวัดูก <c oughs> ครูอาจารย์ถ้าจะเอาออกมาอวดไม่เห็นคนทั่วไปก็จะต้องติดอกจิตใจอยากจะกจะทําบําเพ็ญอันนี้มันไม่เห็นเราคอาใจว่าเรามือดบอดอย่างไรคาารูอาจารย์และท่านผู้อื่นก็จะเป็นอย่างนั้น ความถอยใจของพวกเราท่านมักเป็นแบบนั้นจึงไม่เชื่อมั่นอยากขอเพื่อปฏิบัติหากเราเห็นเป็นขึ้นในตัวเป็นสันติสิโกหรือปัจจตังแล้วทำคำสอนถึงจะรีรับขนาดไหนปัจกในจิตในใจของผู้ปฏิบัติคือเราเองจะไม่เชื่ออย่างไรทุกคนก็จะต้องเชื่อเพราะเห็นความสุขความสบายท้องใจ เมื่อใจมีความสุขความสบายอยู่ภายในแล้วจะไปสถานที่ใดความสุขความสบายนั้นก็นนจะต้องจิตตนตามตัวไปเหมือนเงาเม่เคละจากตัวอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายเลื่อยไปจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อย่างนั้นลงรวมได้ในบางการบางสมัย ถาหากติดอกชอบใจในความสงบถ่ายเดียวไม่มีการที่นิพพิจารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญาหาทางที่จะพิจรารณาความติดข้องข้องใจความลาดถอนของใจก็ได้จะเพียงความสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะลาจะถอนขึ้นลาดถอนแตเพียงความสงบละงับดับไว้ เหมือนหินทับยาไม่ได้ถอนลา่าของยานั่งึ้นมาเมื่อยกหินออกยาก็งอกขึ้นจิตเนื้อท่าสมาธิความสงบระ ง, งับดับกิเลสต่างๆถึงเคยคิดเคยปรุงก็ดับลงไปแต่ไม่ได้ถอดถอ น, เ, น, อนเรื่องกิเลสตัณหาภายในใจของตัวนี่แต่ระงับดับเอาไว้ในชาว พี่ลงรวมเป็นสมาธิพอถอดถอนขึ้นมาจิตใจก็จะคิดนึกไปในแย่ต่างๆฉะนั้นท่านจึงสอนผู้ที่มีสมาธิของใจให้ใช้ปัญญากําหนดทีนี้พิจะะารณาตามการตามเวลาที่ควรจะกําหนดทีนี้พิจะะาจรณาสิ่งต่างๆให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อจิตรู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งที่เคยจิตข้อง มันก็จะถอดถอนออกเพราะเหตุใดเพราะเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นนี่เป็นทางปัญญาที่พวกผาเนนหรือผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาพอจิตสงบอย่าไปจิตแต่ความสงบถ่ายเดียวพอถอดถอนขึ้นมาก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาอะไรด้านปัญญาก็พิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาขาดผันอายตนะ จึงมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละไม่ใช่เป็ไปพิจารณาอื่นถึ่งพิจารณาอื่นก็น้องเข้ามาใส่เป็นภายในได้เชื่อเป็นมีปัชนาเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจจิตใจจิตข้อยเท่ามองต่างๆให่รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นจิตใจที่ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงหลงอย่างนั่นอย่างนี้เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง ตัวลยจิตของเสาหมอเยึดถือถ้าผู้เห็นตามเป็นจริงที่นิพิจารณาโวยสติปัญญาของตัวจริงที่เคยจิดขล่องต่างๆมันหลุดลนออกไปอย่างไรจะเ่อาใจเพราะตัวของตัวเองเป็นผูก้กำหนดเป็นผู้เห็นผู้รู้ไม่เหมือนที่จิตยังอยู่ในขัน้นในมีสมาธิถึงปัญญาจะเสียบแหลมขนาดไหน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 และถอดถอนความยึดมั่นสำคัญหมายต่างๆฉะนั้นท่านจึงสอนในอบรมสมาธิและบำเพ็ญปัญญาให้เกิดมีในจิตในใจของตนส่วนทีนทมุตเป็นอย่างไรเรา่อยใจทราบจากใจของตัวอีกปัญญาในขั้นทีมีสมาธิรู้เห็นอะไรต้องสืบสอบเข้าไป หาเหตุผลความเป็นจริงของมันเห็นรูปแทนที่จะไปตันนิชมต่างๆว่ารูปนั้นงามสวยอย่างนั้นอย่างนี้หรือกิเลสไม่เป็นอย่างนั้นจะพิจาจรณ า, าเข้าไปถึงภายในรูป อ, อันนั้นมันประกอบขึ้นจากอะไรและมันจะคงทนถาวร อ, อยู่ เขไรและจะแตกสลายไปไหมพิจารณาเข้าไปตามทางธรรมะทางไตรลักไม่มีความรับความชอบความติดข้องพิจารณาหาของจริงจะเป็นหญิงเป็นชายถ้าพิจารณาได้ก็เป็นอันเดียวกันเพราะธรรมสมมติ ต, ตั้งห้าที่ว่าหญิงว่าชายทธรบากายก็เป็นสมมติ ธาตุที่ประกอบเหมือนกันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรผิดแตกแตก ต, ต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องของอาชีพอาชีพทางในเรื่องของกายไม่ว่าหญิงว่าชายก็สกระปรกเหมือนกันไม่มีอะไรที่หอมหวนส่วนดมคนที่รู้เห็นตามเป็นจริงของธาตุเข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา มีสมาธิภายในใจจะตัดขาดความลุ่มหล ง, งต่างๆไม่ยึดมั่นสาคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยวางามความกำหนัดยินดีเมื่อไม่มีจิตไปไขจิดติดตามสมมติว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นตัดเป็นบุคคลยังแต่เป็นธามันจะไปกำหนัดยินดีกับอะไรใจก็จะต้องถอดถอนความยึดมั่นส่วนนั้นใจก็เบาใจก็สบาย ไปสถานที่ใดไม่มีใครอันตรายสหรับที่จะเป็นข่าสุดแก่ใจว่าไปรักคนนั้นชอบคนนี้นี่คือผู้เป็นพระนก่จิตประเสรเิฐเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาไปสถานที่ใดไม่มีอะไรจะเป็นข่าสุดแก่ใจของท่านพวกเราจึงควรพยายามฝึกอบรมตัวข้องตัวด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เพราะเวลาโอกาสที่จะฝึกอบรมมีหน้าจีการงานด้านอื่นขอรับเอาหมดอาหารการอยู่กินมีผู้คนทายนอกเขาส่งเสียสนับสนุนให้ขอให้เต็มใจประพฤติปฏิบัติอ า, าธอิธรรมเถอะเชื่อว่าผู้ประพฤติปฏิบัติอาธิธรรมจะไม่มีการอดจนไปสถานที่ใด มีคนเขาดูแลรักษาเราจึงเป็นโชคลาบอันใหญ่โตที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นเนนในศาสนาถ้าพรอนทอนสบายเขาก็หามาให้ยังเสรตัดเย็บย้อมเท่านั้นรักษาที่เขาหามาให้ไว้ให้ดีตามสมควรจะฐานาณที่ของตนไม่ใช่รอกเขาเอามาให้เลยจะทิ้งอย่างไรก็ทิ้งไปใา้ให้เป็นประโยชน์ ที่อยู่ที่อาศัยที่ปลูกสร้างไว้ให้สำหรับเป็นที่พักขอดภาวนาไม่ใช่เขามาเอาข้าเอาอาหารหรือเจ้อาอนณารปลูกไว้จะให้มาสะสมกิเลสตัณหาเขาสร้างขึ้นหรือเขาถวายมาเพื่อความสะดวกของสมาณะคือปูกปฏิบัติศาสนาจะได้อ ย, ยู่ จะดวกสบายและมีโอกาสเวลาภาวนาทำความเพียรเต็มที่เต็มฐานเมื่อรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรมีความสุขใจสุขใจอย่างไรเข้าใจภายในตัวจะได้ไปแนสอนคนอื่นให้เขาได้ระ ง, งับดับทุกข์ไปอีกมีขอ้อข้องใจจิดใจอะไรในธรรมะจะได้เข้ามาหาสมณะผู้ปรวพฤติปฏิบัติศึกษาหาความรู้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 มันแนะนตัวข้องตัวสม่ำเสมอมีสมณะสัญญารู้ว่าเราเป็นพระเป็นสมณะผู้สงบไม่ควรคิดปรุงเรื่องนอกจากอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรพูดยาปราศัยไปในทางศิลสารนกขาไม่ควรทำงานซึ่งเป็นของนอกฤีธนอกรอยจากอัดทรมันแนะนตัวข้องตัวอยู่อย่างนั้น วันคืนที่ผ่านไปทําประโยชน์แก่กายแก่ใจของตนเดินจงกรมภาวานากาหนดรักษาจิตใจมันเสื่อมมันเจริญอย่างไรคิดรุงสุ่งไปเรื่องอะไรเพราะเหตุอะไรกาหนดคนคิดพิ่จารณาหาทางแก้ไขปรับจิตปรับใจของตัวเข้าใจธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นแหละบวช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 ชีวิตของมนุษย์เราไม่มีเครื่องหมายนายประกันอะไรไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่อายุมากอายุน้อยตายไปทางนั้นเราเคยเห็นเต็มหูเต็มตามาแล้วเด็กๆมันก่าตายวันเวลาที่เราอยู่สบายไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนจึงควรตั้งหน้าตั้ ง, ต, งตาประพศปฏิบัติให้เ็มเม็ดเจนหน่วยคุณงามความดีส่วนใดที่ควรจะได้จะถึงจะเห็นจะรู้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 นิพพานเป็นอย่างไรมาจากอีเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะตายวันนี้เดียวนี้นาทีนี้ไม่มีเวลาที่จะเสียใจเพราะเหตุใดเพราะจะอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีคุณความดีจะพอเพืติปฏิบัติเียดเดียวขนาดไหนความเป็นของใจจะก้าวหน้าอีกหรือไม่ไม่มีทางที่จะสงสัยพอใจถึงทีจิตเมื่อคิด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 ทันจริงว่านาถิสัน้นๆปลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความส ง, งบอย่างนั้นไม่มีความส ง, งบของจิตของใจสมาธิเป็นอย่างหนึ่งความส ง, งบของจิตของใจที่พ้นไปจากสมมติเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องผลเราไม่ต้องคำนึงคำนวณหรือไปขาดฝันเหตดที่เราจะทำนั้นเป็นข้อสำคัญเราจะทาอย่างไร ใจของเราจรึงจะเป็นสมาธิใจของเราจรึงจะเกิดมีปัญญาวิชาดิมุติมีเป็นเหตุที่ทุกคนจะควรคิดนึกฝึกตัวให้มากเขา้าเมื่อเหตุมีแล้วผลไม่ต้องสงสยัยจะต้องเห็นต้องเป็นขึ้นเหมือนกันกับเราปลูกผลไม้ต่างๆขอให้บํารุงลําต้นของมันให้ดีถ้าต้นของมัน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 หน้าที่นีแจ่จะรับตาภาวนากำหนดจิตกำหนดใจของตัวแต่ร้ายชั่วบำเพ็ญดินดีอยู่ามามสม่ำเสมอจิตใจของผู้ที่รักษามีภาวนาประจําตัวไปสถานที่ใดสะดวกสบายไม่เอิบกะเลิกเฮฮ่าจะอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็สงบเงียบเพราะต่างท่านต่างคนมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติคนทองตน แล้วก็ไม่หนักใจในผู้ใหญ่ผู้ปกครองเพราะต่างคนต่างรักษาตัวค่องตัวอยู่สมอเมือสิ่งใดที่ชั่วที่เสียไม่ว่าจะทําจะพูดยังแจคิดเราก็ยังมีสติสอนใจของเราว่าสิ่งนี้ผิดไม่ใช่ทางของสมณรนะรักษาอยู่อย่างนั้นมันจะมีอะไรหนักกันเพราะต่างคนต่างท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษา ไม่ว่าแต่งแตะ ก, ยกายวาจาแม่แต่ใจก็รักษาอีกนี่ผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่มีทางเสียหายสบายสะดกวกเพราะต่างคนต่างรักษาความส ง, งบส ง, งัดไม่เอกืกเกลีย ด, ดกันคุยกันถึงเมื่อมีความขัดข้องท้องใจก็ไปศึกษาผู้ที่มีความรู้เหนือเราท่านจะให้อุบายอะไร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 อยู่ในวัดทองท่านเป็นอย่างนั้นเงียบสงบทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ไอจามผมฮะมือหรือผ้าอุดปารักษาความสงบกันหน้าที่ของใครที่จะทำอย่างไรก็ทำไปทวีในก็เรียบร้อยเรื่องจิตก็รักษาเรื่องวิปัสสนาคือด่านปัญญา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 หมดกิเลสเองถ้าอย่างนั้นผู้บวชควรจะมั่นคงในศาสนามีธรรมะธรรมโมมีความสุขความสบายโดยทั่วหน้ากันมีที่ผู้บวชเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้กเพราะไม่ชำละกิเลสตัญหาไม่ชำละความติดข้องของกายวายจายใจของตนแต่นั้นเราทุกคนผู้มุ่งมั่นมาปปฏิบัติจงฝึกหัดดัดตัว ละชั่วบำเพ็ญดี่อแต่นั้นไปกายวาจาใจของเราควรจะเกิดความสุขความเจริญตามความมุ่งมา่นศาถนาของตนดังนั้นการอธิบายธรรมะวันนี้ <c oughs> กวเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขออำ น, นาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์โยกูปองรักษานักปฏิบัติ ให้รับความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเถินเอวัง